แต่และ ว, วันส่องกระจกจังๆหนเดียวแต่ตั้งใจส่องสติดีๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างผิวหน้ากับดวงจิตถามรักสวยรักงามสิวขึ้นแล้วเคยถึงขั้นซึมเศร้าแต่เป็นตอนนี้แค่ซึมลงจะละอาการยึดให้ขาดสิ้นได้อย่างไร เรื่องที่ถึงเนื้อถึงตัวนั้นแทงถึงใจให้เจ็บจี๊ดได้เป็นธรรมดาร้อยรัดให้ยึดติดแน่นเหนียวได้เป็นธรรมดาแม้จะปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่จะละกันโดยง่ายโดยเฉพาะถ้าคิดว่าเป็นคนสะอาดรักษาเนื้อรักษาตัวดีแล้วยังเกิดปุ่มปมรบกวนจิตใจได้อย่างไรก็ไม่ทราบถ้าเอาตามสูตรสาเร็จดั้งเดิมท่านให้พิจารณากายทั้งแท่งนี้โดยความเป็นถุงใสอึ พอใจแวบนึกห่วงกายเมื่อไรก็ระลึกไม่ลืมว่าข้างในนี้แออัดอยู่ด้วยสิ่งโสโครรู้ได้อย่างไรขอแค่มีสติขณะอึขณะชี่รู้ว่ามันไหลออกมาจากถุงเก็บคือกายนี้จิตจะปฏิเสธความจริงอย่างไรได้ภาพและกลิ่นมันฟ้องอยู่ตลอดแต่วิสัยคนเมืองที่ปฏิบัติธรรมเป็นพาธธรรมไม่ใ่ฟูทางเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้า การจะให้พิจารณากายเป็นอสุภะเนึ่งๆ น, นั้นบางทีเกินกำลังไปหน่อยโดยเฉพาะช่วงเริ่มๆพูดง่ายๆว่าปฏิบัติแบบชาวบ้านเราๆท่านๆคือการปฏิบัติแบบเครื่องยึดเครื่องวางกึ่งอยากละกึ่งอยากหวงอมไว้เป็นเรื่องๆคายออกเป็นคราวๆใจเล็งจะเอามรักผลแต่ปากคอยจะงับเยื่อล่อเป็นต้น ถ้าเลือกอาวุธได้ถูกฝาถูกตัวการค่อยๆละค่อยๆวางก็เกิดขึ้นได้จริงเช่นสังเกตความเป็นไปด้วยกันระหว่างผิวหน้ากับดวงจิตดวงจิตผ่องผุดผิวหน้าก็ผุดผ่องดวงจิตหมองเศร้าผิวหน้าก็เศร้ามองจะใช้ความรู้สึกหรือจะดูกระจกเงาก็ทราบความจริงเช่นนั้นได้เหมือนๆกันหมายความว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่น เศราง่ายก็กลายเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดสิวได้และเมื่อสิวเกิดขึ้นเม็ดหนึ่งก็อาจทุกไปสิบวันลากจุงสิวเพิ่มมาอีกสิบเม็ดต่อเมื่อตั้งทิศทางใหม่หันเหสู่เป้าภายในสนใจรักษาจิตมากกว่ารักษาหน้าแต่ละวันตั้งใจส่องกระจกเงาจังๆหนเดียวเพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน เวลานอกเหนือนจากนั้นให้ตั้งใจสองสติดีๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งดูว่าตอนนี้จิตคลายออกแผ่ภายหรือว่าตอนนี้จิตยึดเหนียวเอาเข้าดูจนเห็นความเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูจนรู้สึกว่าจิตเป็นตัวเราหายไปเหลือแต่รู้เห็นว่าจิตสดใสหรือเศร้าหมองอยู่เท่านั้น ถ้าจับจุดถูกเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจตามจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆราวกับไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งที่เป็นของติดตัวอยู่นี่เองความจริงคือเมื่อใดจิตสวยสว่างปล่อยวางไม่แคร์กายเมื่อนั้นกายจะผ่อนคลายสงบเย็นหรือกระทั่งแปรรูปหน้าให้ดูดีขึ้นได้ยังหน้าแปลกใจสมองโล่งขี้เกียจเทียบเขาเทียบเรา อีกทั้งขยะที่สะสมพอกผิวเนื้อก็เหมือนหายไปไหนไม่รู้แค่เห็นเช่นนี้ได้เรื่อยๆคุณจะมีกำลังใจอยากรักษาจิตมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกิดกำลังใจก็ให้ท่องไว้แม่นๆว่ามนโนกรรมใหญ่ที่สุดรอบคลุมที่สุดใจไม่เป็นสิวได้กายก็ไม่เป็นสิวด้วย